ท่านประโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ในเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากาันสมาทานศีลสมาทานปกรรมฐานแล้วแล้วกาส ต, ต่อไปนี้ก็จะขอพูดเรื่องราวของพระนาคามีสสำหรับพระนาคามีนี่ต้องตัดสังโยตอีกสองอย่าง นอกจากพระโซนนากับสิ ธ, ธาคารสำหรับพระโซนนากับสิ ธ, ธาคารนั้นตัดสังโยชเสมอกันก็คือหนึ่งกาญธิทิสองวิจิกิจชาสามสีรพตาปรามาตยกาญธิทิให้พิจรารณาเห็นว่าร่างกานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความจริงเรื่องนี้ใช้ปัญญานิดหนึ่งก็เห็นแล้วก็ที่สองวิจิกิจฉาการไม่ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่รนประกอบปฏิเหตุและผลถ้าเราเป็นคนใช้ปัญญานิดเดียวก็เห็นชัดว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เชื่อได้สามสีพระประปรามาท พระโซนดาบัญกับพระสิทธาคามีเป็นผู้ทรงสินห้าเป็นสมุดเฉตคำว่าสมุดเฉตหมายความว่าเด็ดขาดก า, ารที่จะละเมิดสินหา้าโดยเจตนาไม่มีของท่านพระอเดียเจ้าสองขันเมื่อน้อมกันไปหาพรพุทธคุพระองค์สมเด็จพระวิชิตตมาน ก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดากับสีทาคาเป็นผู้ทรงอธิสินอธิสินก็หมายถึงว่ามีสินหนักเปนเรื่องของสินอย่างอื่นน้อยเมื่อฟังกันตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับกร้โหที่สุกกำนังเอากำลังอร่อย แล้วก็เขาปอกใส่จานไปแล้วเพราะอะไรว่าเพราะอะไรเพราะคำว่าอาทิสีนี่มันเป็นเรื่องของคนธรรมดาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคราวว่าสินห้าเลยแล้วเป็นเรื่องธรรมดามากอย่างยิ่งแต่คนที่ไม่มีสินห้าบริสุทธิ์นี่เขาไม่เรียกคนล้วเรียกอะไรทราบไหม เขาโทษเขาไม่เรียกวันนู้นเขาเรียกคนแปลว่ามันยู่งรวความอากายเนี่ยเป็นคนแต่ใจอาจจะเลวกว่าสัตว์สติได้ฉานในความจริงถ้าจะว่ามันไม่มีสีนะไม่แน่สลับเฮียเนี่ยมีสินห้าบริสุทธ์อะไรเฮียไม่กิงสัตว์เป็น เฮียกินแด็ของตายเราประนามกันมาเฮียเร็วถ้าบังเอิญถ้าเราไปละเมิดสิ่งเข้าเราก็เร็วข่อยเฮียดีไหมคุยกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ดีเป็นภาษาไทยแท้มันตรงกับพระบาลีที่ว่าอัตนาโจทยัตตานนัง เิ่งแปรเป็นใจความมันยอนตักเตือนตนของตนเองว่าเสมอกล่าวโทษโจท์ความผิดมาเสมอสินห้าเราพอใจให้คนอื่นมีสำหรับเราเราทำไมจะไม่พอใจจะมีสินห้าสำหรับคนอื่นถ้าเราพอใจเขามีให้แก่เราที่เราไม่พอใจให้มีสำหรับเขาเราก็เลวกว่เาเฮียสบายใจหัหย ด่าตัวมันว่าอย่างนี้เสมอมันจะได้ดีที่เขาทํากันมาได้ดีเนี่ยก็ทําอย่างนี้ไม่มีใครเขายกตัวเขาขึ้นเหนือลมไม่มีใครเขามองใจเขาวัาดดีเขามองจุดเดียวคือความเร็วเท่านั้นหาความเร็วว่าตรงไหนมันจะโผล่ขึ้นมาบ้าง สำหรับพระอนาคามีก้าวขึ้นไปสองจุดนั่นคือตัดกามชันทะกับตัดปฏิฆะกามชันทะก็เลยพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มมนสัมผัสนิ่มโนล่างเพศจิกครุ่นคิดถึงกามอารมณ์อยู่เสมอตัวนี้ตัดทิ้งไป แล้วก็ปฏิฆะความกระทุกกระท่่งในจิตแล้วเราก้าวขึ้นมาตอนนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาภาณ า, าคามีมัจจากพระสกิทาคารมีขึ้นมาจิตมีความรักในการตักามารมณ แ, แล้วตัดสิขะและก็พยายามกำลังตัดท่านเรียกว่าพระณาคามีมัจ นี่ตำราเขาไม่เขาได้เขียนไว้นเนี่ยไอ้ผมเนี่ยมีคนเข้าไปนินทาไว้กับพระใจอยู่หัวว่าอดฤทธ์ดอดเด็ดอดนั่นอดนี่อดเป็นผู้วิเศษได้วความจริงถ้าผมมีเหมือนผมก็อยากจะอดเหมือนกันคนเราถ้าลงวิเศษได้ก็ควรจะอดความวิเศษ แต่ผมนี่มันไม่มีนี่ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าท่านแต่บางเอิญท่านพูดนั้นท่นคิดว่าเป็นความรู้ของผมนี่ทําให้ผมคึื้นใจขึ้นมาเยอะอยากจะบ้าไปตามคําของท่านพูดแต่มันบ้าไม่ลงฉะนั้นมันแก่ให้เมันบ้าไม่ลงก็ปล่อยให้ท่านบ้าไปแต่คนเดียวก็หมดเรื่อง อ้าเป็นินทาชาวบ้านเข้านันเลยไม่ได้นินทาชาวบ้านพูดให้ฟังเมื่อเราคนจะทําใจแบบนี้ชาวบ้านเขาจะว่าอะไรเนี่ยมันเรื่องของเขาเขาไม่เดาปากของเราไปพูดเขาใช้ปากของเขาพ้นเลยของเขาเองเขาบ้าของเอวก่อยเขาบ้าข เ, เข า, เปเข า, าขไป ให้คนบ้าบ้าบออย่างนี้ในโลกหาได้เยอะี่เรามาปฏิบัติเพื่อจะหนีความบ้ากันบ้าในความโลภบ้าในความรักบ้าในความโกรธบ้าในความหลงแล้วบ้าเท่าไหร่มันก็แย่เท่านั้นมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เปวนปัจจัยของความทุกข์เสียงไม่ขยับออก ผมที่พูดในคุณฟังนี่มันเหนื่อยกกลย่าขาดใจตายอยู่แล้วยังมานั่งบ้าพูดอยู่อีกก็ช่างเถอะเพราะว่าจะสร้างตำรากันสักหน่อยสร้างไม่เผื่อเด็กแต่ก็ไม่แน่นักเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นนิจจัง ธรราของผมที่สร้างไว้ใครอาจจะมีใครเข้าทางเขายี่ยมหรอมอะไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาแต่ธรรมาที่สร้างนี้เป็นธรรราของพระพุทธเจา้ามาแค่ให้ท่านดูตอนลีนเราก็มานั่งดูไอ้กามฉันทะเนี่ยมันจะตัดกันตรงไหนท่านมีความลำบากใจไหมถ้าลำบากใจก็โปรดทราบ วันนี่ท่านมาจากพระสีธาคามีแล้วนะท่านมาจากสีธาคามีแล้วท่านบอกว่าลำบากผลก็ว่าท่านควรจะตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าตายจากความเป็นคนเมื่อไรข้าวเจ้าขอไปสู่อเวจีมหานรก ข้ออะไรพระว่าสกิธาคาร ม, มีเนะี่ยตัดแท้จริงเกือบจะไม่เหลือแล้วอารมณ์ที่จะเกิดความรักในระหว่างเพศในระหว่างที่ทรงความเป็นพระสกิธาคา ม, มีแนละ้วมันจะไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยถ้ามันยังเหลือยังโดอยู่แล้วก็มันใช้ไม่ได้ดอกไม่ใช่พระสีธาคามีโ น, น่มันเป็นปุถุชนคนที่หนานแน่นไปได้วยกิเลส ตอนนี้เราก็มารวมตอนสิกขาคามีนะเราตีด้วยนาะดสมถะภาวนามากคราวนี้เราก็ตีด้วยนาะดพิปัสนาภาวนาให้หนะักเพราะมันเป็นบันไดอีกเก้าเดียวเท่านั้นที่ระยะเข้าเก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์โอ้เออกล้วยจริงๆเลยคนเลยมันของห ว, วานหวาน ไม่เผ็ดไม่เข็มไม่เปรี้ยวหวานชื่นใจของง่ายๆก็กลุวยแล้วก็นั่งมองดูมาจากสกิทาคามีว่าโอหนอร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มาถุทธาตุทั้งหมดมันเต็ ม, มไปด้วยความสุกโปรกโสมมจิตใจของเราทรงอารมณ์ตั้งมัน่น เห็นคนก็เหมือนเห็นซากศพเห็นคนแต่งตัวสวยผิดปกติอยากจะอาเจียนคนทราบไหมเขาแต่งยังไงผิดปกติไอ้หน้าตาดีๆนัมมมมม้นทำมอมมอมนอกจากหลายๆอย่างอย่าไปว่าเขาเลยเขาชอบอย่างนั้นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ชอบก็แล้วกันถ้ามันจะอาเจียนแล้วก็เข้าไปในห้องซะก่อนเขา อ, อาเจียน ใบเจียนตัวหน้าเขาเขาจะตกหน้าเมื่อเรามองไปจากเนื้อมองจากกตากระทบภาพปั๊บทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังถึงเนื้อทะลุเนื้อทั้งตับไตไส้กอดถึงขี้ั้งเยี่ยวในในลำตัวเพรไม่อยากจะพูดจาละปัสสาวะมันไม่ใช่ภาษาไทยนี่พูดกันทาไม เรียนใช้สัตว์หรือไอ้ขี้เนี่ยมันดีหมหอมไหมเยี่ยวหอมไหมน้าเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหอมไหมดีตรงไหนร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะสะอาดไม่มีความสุขโปรร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะมีการส่งตัวไม่มีการสุดสง อย่างนี้เขาเรียกโบกทั้งสมถะและวิปัสนาไอตัวสุดโสมเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาวิปัสนาสุขบกเป็นเรื่องเขาสมถะเป็นื่อสุขปรสัญญาที่เจรณาทั้งร่างกายเป็นกายยกตานุสติว่ากันเพลินๆสบายๆ มองแบบสบายๆนั่งมองดูเถอะมาดูตัวของเราเองดีกว่าว่าตัวคนเรานี่แต่งกันแคมันเชิงวัตจะแต่งตัวหันหน้าหันหลังจำหน้ากระจกไหมมันสวยที่โน่นสวยที่นี่ตรงไหนมันสวยขี้สวยไหมเยี่ยวสวยไหมเสลี่ยจำลายสวยไหมจำเลือดจำเหลืองจำหนองสวยไหม ร่างกายผิวข้างนอกก็สวยแน่เลยถ้าสวยจะไปล้างมาทำไมจะไปอาบน้ำอาบท่ามันทำไมมันสวยเนี่มันสะอาดเปล่ารวมความมันสวยไม่ใช่สวยหรอกร่างกายของคนที่มีมันนี่มันโอ้ยมันใช่ไม่ยหยุดหากินตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายมันยังไม่พอเลย คำว่าพอก็ไหมายความว่าเรางดไม่ต้องหามันมีกินเรางดไม่ต้องทำอะไรหมดภาพผ่อนทอนสมายมันมีเรางดไม่ต้องบริหารร่างกายทั้งหมดมันจะสวยอิ่มเปรมใจอยู่ตลอดเวลาอิ่มเอมิมเปรมใจมีหรือเปล่าไม่มีตร่งความว่าหามีไม่ได้มหามีไม่ได้ไไดทำยังไงมันก็ไม่สวยแล้วสิ ตัวไม่สวยโสงสภาพหมายไม่ทรงเปไงมันเสื่อมมันทุดมันโสมมันพังแล้วองเราก็ไปนั่งนจุดหนึ่งว่าร่างกายของคนก็อาศัยก็ดีนี่ที่มันเกิดมาแล้วมันเป็นสุขห้ือป็นทุกข์นั่งนึกให้มันส บ, บาย มันทุกข์หรือมันสุขชาวบ้านเนี่ไม่ต้องไปดูเขาดูตัวเราเป็นสำคัญไอเรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาจะสุขจะทุกข์ช่างเขาเถอะอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงชาวบ้านสร้างตัวเราให้มันดีซะก่อนเตีย้ยแล้วจงอย่าไปอุ้มคอม ไอเตี่ยกับตัวตาะแตะและอุ้มคอมเขาอีกพอที่สุดเลยเดินกันไม่ได้ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรในเมื่อพระองค์ยังไม่ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมุทธิญาณพูดง่ายๆว่าพระองค์ยังไม่บรรลุอลาหารหันต์พระองค์ก็ไม่ทรงสอนใคร อยู่กับปัญญากีรุสีทั้งห้ามาทั้งนานสมเด็จพระบิธกตําไ ม, มาก็ไม่สอนเพราะว่าพระองค์ยังดีไม่พอในเมื่อพระองค์เป็นพระอรหันต์แล่จึงสอนเดีย๋ยวท่านยายย้อนถามว่มาผมไม่พูดๆนี่เป็นพระอรหันต์ได้อยังท่านอยากจะรู้ไหมละ่ะ อยากจะรู้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าดูเถอะว่าผมเป็นพระอรหันต์หรือยังถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าก็ต้องอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์จงคิดว่าผมเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนนี่ไม่ใช่ความรู้ของผมมิทีผสมอริยสัจมองเห็นคนเป็นศพ นั่รู้จักษษษสภาพว่าศพนี่มันเป็นทุกข์ศพเขาเป็นทุกข์ศพเราก็เป็นทุกข์ทุกตรงไหนทุกที่มันเสื่อมมันโทรมเป็นปกติต้องหาเลี้ยงมันแต่าการที่หาเลี้ยงมันมันเป็นทุกข์ก็จะได้เงินมาจากบาทนั้นก็ทุกข์ เจะได้พามาสักชิ้นมันก็ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะพึงหามาได้เนี่ยมันเป็นอาการของความทุกข์ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นอาการของความสุขคนรับราชการนะี่ยมันนั่งโอดนั่งครวนกันได้ฟังเสมอเมื่อวันลามีเจ้านายมาเฮลาตามหน้าที่พึงมีอยู่ เวลาปล่วยมีงานป่วยก็มีแต่มีการบีบคั้นมาถ้าป่วยเกินกว่าเท่านั้นต้องแตกเงินเดือนไม่เห็นไหมกว่าจะได้ทรัพย์เตส็สินมาแต่กล่าวเวลาไปทํางานก็หนักเยียดําบากใช้สมองใช้แรงงานต้งองกระทบกระทั่งกับคนเลวที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าคนเลวที่อยู่ใต้บังคับบัญชา สมองงานที่รับผิดชอบก็หนักเต็มที่อยู่แล้วแต่คนที่ไม่ดีก็ยังมาสร้างความผิดเทือนใจการหากินมันทุกนี่รับประสการถ้าเป็นลูกจ้างนายจ้างบริษัททั่ทงร้านองค์การใดก็ตามมันก็มีสภาพเหมือนกันเจ้านายเขาถือว่าผลประโยชน์ของเขาเป็นใหญ่ เราต้องหาผลประโยชน์ให้เขาให้ได้ตามความประสงค์ดีไม่ดีเขาไม่ชอบใจเขาจะตัดกันเดินมาอะไรคนได้เขาจะไล่มาอะไรคนไดเราต้องไม่นั่งเอาใจเขานีนมันสุขแนละมันทุกข์ทุกข์นะการทำไรทำนาการค้าการขายก็เหมือนกันค้าขายก็ต้องนั่งดูวันนี่ซื้อมาเท่าไหร่ กำไรเท่าไรไมันถึงังพอกำไรที่มันพอเฉพาะที่จะมันได้มากับทุนนะมันไ ม, ไม่แปลกแต่กำไรที่จะไปใช้อย่างอื่นบำรุงเลอตัวนี่สิบำรุงบรงเลือตัวบำรุงบรรเลือครอบครัวของใช้ไม่สอยที่จําจะต้องมีเสี้ยงท่านหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เห็นทุกข์ในอย่าง เอาเรื่องงานไม่ต้องพูดกันอันมันดูร่างกายร่างกายมันย่อแย่ ย, ย่อแย่ลงไปทุกทีแย่ลงไปทุกวันเดินไปหาความตายทุกวันไอ้ความตายนี่มันเป็นของปกติแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้มีอารมณ์ไม่ปกติเห็นว่าความตายเป็นปัจจัยของความทุกข เลยกลัวตายเป็นทุกข์อีกแล้วความรักที่เรามีอยู่มันจําต้องพัฒนาเป็นปกติเราก็พยายามมันยัดเยียดอารมณ์ว่ามันจงอยา่างมันจงทรงสภาพเป็นอย่างนั้นในเมื่อมันไม่ทรงเป็นสุขแล้วมปนทุกข์ละก็ทุกข์อันนี้เราก็หันเข้ามาดูอารมณ์ของกรมฉันทะ พอที่เราไปนั่งรักชาวบ้านเนี่ยตัวเราคนเดียวเรายังเป็นทุกข์เราไปรักเขาเราก็ไปแบกทุกข์มาถ้าไม่รักชาวบ้านก็รักวัตถุเล่งของเก่าบ้างเล่งของใหม่บ้างไอ้เล่นเฉยๆนะีมันไม่หนักแต่มันก็เสียเวลาอารมณ์ความดีอยู่แล้ว สำคัญก่อนจะได้ของมาเล่นต้องเอาเงินไปให้เขาเล่นก่อนแพงเท่าไรก็เอามันโก้มันเก๋ดีชาไบ้านเขาจะได้ชมวบบไม้เรานี่เป็นผู้พิเศษสามารถรวบรวมของเก่าในสมัยไหนสมัยไหนไว้ได้ได้เงินได้นนทองที่จะไปซื้อขา้าซื้อของเท่าไเหลา่านั้นมันสุขท้งมันทุนกขที่มันได้มา มันได้มาจากอารมณ์ของความทุกข์ไม่ใช่ได้มาจากอารมณ์ของความสุขนี่มันทุกข์จริงๆแล้วของทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้มาแล้วใจเราูผพันกลัวมันจะหายกลัวมันจะแตกกลัวมันจะทำลายไปด้วยกรนีใดๆก็ตามอารมณ์ที่กลัวอย่างนั้นแปนรลงความสุขและความทุกข์ เพราะว่าถือว่าแปรลงความถูกที่ว่าทั้งรูปรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุถ้าเราติดมันผูกพันมันใจมันก็เป็นทุกข์นี่ท่านทุกข์เสร็จแล้วทําไงถ้าไม่มาเสียงบางคนก็ติดเสียงบางคนก็ติดกลิน่นบางคนก็ติดรสบางคนก็ติดสัมผัสเขาพูดดัรัด ไม่ว่าติดอะไรอะไรที่ไหนมันทรงตัวบ้างหรือเปล่ามันก็หาความทรงตัวอะไรไม่ได้เสียงผ่านหูแลว้วก็หายไปปิ่นผ่านจ ม, มูกแลว้วก็หายไปลสผ่านปลายลิ้นกลางลิ้นทั้งคนลิ้นก็าหายไปสามผัสระหว่างเพศ ยินดีกันนักเถอะฆ่ากันตายสมัยนี้ฆ่ากันตายนะไอ้กามารมแต่ไม่ทําไมไม่ไปดูคนที่เขาแต่งงานก่อนคนที่เขาแต่งงา น, นกั น, ก, นก่อนเราน่ะที่เขาแก่ไปแล้วเขาเบือ่อแล้วนะดีไม่ดีไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเขาก็เบื่อกันที่ก่อนที่เขาจะแต่งงานกันให ม, ม่รักกันแบบเอาไปเอาตาย เริ่มรักก็เริ่มทุกข์เรารักเขาเขาจะรักเราหรือเปล่านี่ทุกข์แล้วต้องหาวิธีการในธาารรมะกับเรารักกันได้จริงๆทุกข์อีกว่าผู้ปกครองบิดามารดาเขาจะให้แต่งงานกันหรือเปล่ายังไม่แน่ถ้าเขาให้แต่งงานกันทุกข์ใหญ่ทุกข์เพราะอะไรพระอีตอ น, นี้ต้องเลี้ยงตัวเองสิ ตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยทุกมาอยู่กับพ่อกับแม่ไม่มีเงินก็บแบมือขอพอ่อขอแม่ไม่มีเครื่องแต่งตัวก็แบมือขอพอ่อขอแม่แต่ถ้งว่าเอ้เราเอาเองล่ะปกครองเองแบกภาระหนักไม่รู้จแบกแบมือหาใครนี่ต้องทํางานทําการหนักเต็มที่เลยมันสุขมันทุกข์ ในความรักนี้มันมันแม่มั น, ม น, มนย่างอยู่น้ำเปล่าเปล่าถ้ามีลูกวีต้าอย่างทุกใหญ่เป็น น, น, นั่นนั่งขั้นนะเขาก็เหี่ยวก็ลงไปแห้งก็ลงไปไอตอนรักใหม่ๆมันเปล่งปลั่งไม่ได้ลืมหูลืมตาว่าดูไอคนที่เขาเกิดก่อนเขาแต่งงานก่อนแนะเขาสวยกันทุกคนแหละแต่ในที่สุดเขาก็หมดสวยไม่ต้องดูใครดูพ่อดูแม่แล้วก็แล้วกัน ถ้าแต่งกายเล้าเ ย, ยแบบนั้นนะทำไมแต่งงานกันล่ะก่อนที่จะแต่งา ง, ง, งานมันต้องเปล่งปลั่งสวยสดงดงามน่ารักน่าชื่นใจแต่ไม่ทันไรทุกวันวันคืนค ล, นลงไปร่างกายก็สดสูลงไปแล้วก็ในเมื่อเราผูกพันอยู่ในการมารุมอย่างนี้เนะี่ยมันก็มีแต่รมเป็นทุกข์เราจะทุกข์ไปทำไมล่ะ ตอนนี oh. pattern, utions, die, us us ้เราก็แต่กรมารมณ์อริยสัจควบกับควาสุขสัญญากับกายกตานุสติผมไม่สอนมากหรอกเพราะยำแย่มาตั้งแต่สกิทาคามีแล้วตอนนี้ความจริงสกิตนิดเดียนมันก็หลดเพราะมันไม่มีอะไรเราฟันมันแหลกไม่ได้สกิทาคามีเพราะถ้ามันเดินไม่ไหวคลานไม่ไหว ถ้ามาเราแล้ว เ, เ, เราเรมาื่อเราเผลอมนอะไรมันค่อยๆสะกิดนิดหนึงเท่านั้นเองอารมณ์นีนตอนที่เราเป็นอนาคามีมรรคเป็นไปโถมันของง่ายจริงๆมันหันแหลกวันแล้วรวมความว่าใจของเราจะพ้นจะรมความทุกข์ถอนจากกามารมณ์ได้คือกามฉันทะนย่ลืมนี่โมตนาภา ตั้งใจให้มันทรงตัวไดวส้สมาธิสมาธิดีคลายมาพิจรารณาอสุปสัญญาพวกกับอริยสัจพอจิตสร้างขยับทิ้งพิปัสสนทิ้งพิจรารณากลับเข้ามาทรงตัวกันใหม่จับจิตให้ทรงฌานใหม่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปมองคน มองภัพเป็นซากศพเห็นร่างกายภัพเสียอีเอียนออยาจาจ NO ีนอกอ่ะพอซะเลยเพราะอะไรข้างในไปเถอะนั่นมาถงขี้เดินได้นี่มันไม่ใช่อะไรล่ะดันไปรักสูงขี้เดินได้นี่มันก็สวยเพราะอะไรเพราะว่าเออเ ร่างกายคนแต่ละคนมันดี่ยวนี้เตียวหนังกําพา้าไอหนังกัมพา้าก็แสนยะสกปรกแต่มันเราก็ไปหลงลักไปมองหาความจริงอาราบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงบิสมุสมมเนินผมพูดอะไรไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะตอนนี้ไม่ง่ายนิดเดียวของเสพกิจสพกิจมาติดอยู่ปลายเข็มนิดหนึ่งเนื่อกลเล็กเข็มก็ไม่ได้ทิ่มเข้าไปมันวางไว้เฉย เสกิจนิดเดียวมันก็หล่นถ้าจิตของท่านพุทธศาสนิกชนธรรมชาติพิสุทธิ์สมณน็นรักดีสำหรับความเป็นพระนาคามีนีมันกลัมันง่ายอยู่ครุย่ยสุขใสปป่ปากเวลานี้พูดมากไปได้เวลาหมดของติดเทียนตรงนี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและวิจารณาตามอธิยาัยจะเลิกอะไรไปเรื่องของท่ตามสบายใจสวัสดี